ให้เข็นครกขึ้นภูเขายัางดีกว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์ชื่อว่าการันทยะเจริญวัยแล้วได้เป็นสิทธิอุโสของอาจารย์ทีสาปาโมก ในเมืองตักกสิลาครั้งนั้นอาจารย์นั้นให้ศีลแก่คนที่พบเห็นมีชาวประมงเป็นต้นผู้ไม่ขอศีลเลยชนเหล่านั้นจำใจต้องรับเมื่อรับเอามาแล้วจึงไม่รักษาอาจารย์จึงเล่าให้ศิษย์ทั้งหลายฟังศิษย์ทั้งหลายกล่าวกับอาจารย์ว่า ท่านให้สินโดยความไม่ชอบใจของชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงพากันทำลายเสียตั้งแต่บัดนี้ไปท่านพึงให้แก่คนที่ขอเท่านั้นอย่าให้แก่คนที่ไม่ขออาจารย์นั้นได้เป็นผู้เดือดร้อนใจแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ยังคงให้สินแก่คนทั้งหลายที่ตนได้พบเห็นอยู่นั่นแหละ วันหนึ่งการันธยะและมานพบอีก500รได้ไปสวดมนต์ตามที่อาจารย์สั่งครากลับในระหว่างทางเห็นซอกเขาแห่งหนึ่งการันธยะคิดว่าอาจารย์เราให้ศีลแก่คนที่พบเห็นซึ่งไม่ขอเลยนับแต่บัด น, นี้ไปเราจะทำอาจารย์นั้นให้ศีลเฉพาะแก่ผวกคนที่ขอเท่านั้นเมื่อพวกมานพ์กำลังนั่งสบายอยู่การันธยะจึงลุกขึ้นไป ยกศิลาก้อนใหญ่โยนลงในซอกเขาโยนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นแหละลาดับนั้นมานบเหล่านั้นจึงลุกขึ้นพูดกับการันทยะว่าท่านทำอะไรอยู่นะการันทยะนิ่งไม่ตอบมานบเหล่านั้นจึงไปบอกอาจารย์ทิสาป่าโมกอาจารย์มาแล้วกล่าวกับการันทยะว่าท่านผู้เดียวรีบร้อนยกก้อนหินใหญ่ กลิ้งลงในซอกเขาดูก่อนการันตียะจะมีประโยชน์อะไรแกท่านโดยการทิ้งก้อนหินลงในซอกเขาเลราเอะการันตียะได้ฟังคำของอาจารย์แล้วประสงค์จะทวงอาจารย์จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเกลี่ยหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ลงจากกระทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ราบเรียบเพียงดังฝ่ามือเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ทิ้งหินลงในซอกเขาดูก่อนการันตีย เราสำคัญว่ามนุษย์คนเดียวย่อมไม่สามารถจะกระทำแผ่นดินให้ราบเรียบดังฝ่ามือได้ที่ท่านพยายามจะกระทำซอกเขาให้เต็มขึ้นเที่ยวแสวงหาหินทั้งหลายมาคิดคนหาอุบายอยู่นั่นแหละท่านก็จักรลักโลกนี้ไปเสียเปล่าเปล่าเป็นแน่ข้าแต่ท่านอาจารย์หากว่ามนุษย์คนเดียว ไม่สามารถจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ราบเรียบได้ชั้นใดท่านก็จักนมนุษย์เหล่านี้ผู้มีทิฏฐิต่างกันมาไม่ได้ชั้นนั้นเหมือนกันคือท่านกล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าพวกท่านจงรับศีลจงนำมาสู่อำนาจของตนไม่ได้ชันนั้นด้วยว่าคนที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงติเตียนปาณาติบาตว่าเป็นอกุศลส่วนคนพานไม่เชื่อสังสาระ เป็นผู้มีความสำคัญในข้อนั้นว่าเป็นกุศลท่านจักนำคนเหล่านั้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านอย่าให้ศีลแก่คนที่ได้ประสบพบเห็นจงให้แก่คนที่ขอเท่านั้นเถิดอาจารย์ได้ฟังดังนั้นคิดว่าการันธียะพูดถูกต้องบัดนี้เราจักไม่กระทำอย่างนั้นข้นรู้ว่าตนผิดแล้วจึงกล่าวว่าอืมดูก่อนการันตียะ เจ้าได้บอกความจริงโดยย่อแก่อาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแผ่นดินนั้นมนุษย์ไม่สามารถจะทำให้ราบเรียบได้ฉันใดเราก็ไม่อาจทำมนุษย์ทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจของเราได้ฉันนั้นคติที่ได้จากชาดกนี้คือ แผ่นดินนี้ไม่อาจทำให้ราบเรียบเสมอกันหมดได้ชั้นใดมนุษย์ทั้งหลายจะให้คิดเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ชันนั้นดังนั้นอยา่าโกรธหรือเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อคนอื่นมีความเห็นไม่เหมือนเราหรือทำไม่ถูกใจเราทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครๆตัวเราเองแท้ๆยังไม่รู้ใจ ทำไม่ถูกใจเราและคนอื่นจะรู้ใจทำถูกใจเราได้อย่างไรจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่เหมาะใจหนาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจ